จตติมังขวังจที่นวัเมรุวัปริสังขายาวานปัุบันระยำมันดูลำพังปารายะยำมันดูเป็นการศึาเมือจิตยังจิตมุติสังขะวังจิตที่นวัเมรุวัปริสังขายาวานปัุบันระยำมันดูลำพังปารายะยำมันดูเป็นการศึกษาม่หรอกใช ถ้าเราจะพูดภาคอีสานนะก็ภาคกรุงเทพก็จะฟังไม่ออกแล้วเรื่องประวารณาท <c oughs> ่านเองเปหมายยังไงถึงให้ประวรัลนาทําไมถึงให้ภาคพิสุโงงแก่ประวารณาก่อนก็เพราะเหตุว่าจะให้เป็นเลี่ ย, ยงยากของผลระวุดทุติยโดยใจความแห่งประวารณาก็บอกว่ายึดเทนะขอต่อานาต่อสง ถ้าหากว่าคิดเทนมาได้เห็นก็ดีสูเตนว่าได้ยินฟังเสียงข่าวข้าพเจ้าปฏิบัติไม่ชอบทำก็ดีปฏิสังกายละว่าหรือสงสัารแรงเกียตก็ดีเมื่อดันตัมาอายัดท่านบรุนนุกับปังองปาได้จงทรงตักเตือนข้าพเจ้าบ้าโปรดอนุเคราะห์ตักเตือนข้าพเจ้าบ้างไปอย่างนั้นในความหมายในพระวารณาความหมายในพระวารณามีเท่านั้นทีนี่ เรียกว่ามหาภาวน า, นาถ้าภาวนาแล้วแต่ก็มักจะไม่เคารพในภาวนาของเจ้ขอ ง, ของถ้าตักเตือนกันก็โกรธทีนี้อันนี้ก็น่าพิจารณาอยู่พระเรมศาสดาบอกว่าพระว่าศาสนาของเรานะจะเจริญก็ด้วยตักเตือนกันผู้น้อยตักเตือนผู้ใหญ่ก็ต้องตักเตือนทําเป็นเธอญปรึกษาอย่าไปจับหูหิ้ว ทำอย่างนั้นจะเป็นยังไงเพราะรักทำอย่างนี้จะเป็นยังไงเพ ร, รับเพราะเรียนศึกษาว่าท่านรู้ตัวของท่านท่านก็จะกลับเจส่วนผู้ใหญ่ทักเตือนผู้น้อยนะ่ะเนี่ยแต่กรณีที่ท้าเห็นสมที่กําบัตทิทําไมถูกระเบียบมีอยู่หลายอย่างกําจะตึงทํามอันไหนที่ก่อนหน้า กลับทำเสียในที่รับหลังกรรมจะทำเรื่องการสอบถามทําโดยไม่สอบถามกรรมจะทําด้วยไม่ปฏิญญาทําโดยไม่เป็นญญปฏิญญาเป็นต้นเรียกว่ากรรมบัตรทำแล้วก็ไม่เป็นอันทำสี่ยังมีเอกสี่ลูปให้ผ้าถถิน่นสี่ลูปประวารณาห้าลูปประวารณามันจะประวารณาไม่เหมือนไม่เหมือนอบอสถ พรบูสดสีรูปส่วนได้ภาวนาห้ารูกถ้าสี่ลูกภาวนาเรียกว่าคณะภวนาไม่ใช่สังฆบวารนาสังฆบวารนาต้องห้าลูปสี่ลูปแพ้ภาคศรีนสี่ลูปภาวนาเรียกว่ากรรมวิบัติทําเนี่ย็มาเป็นอันรมกรรมวิบัติเป็นอะไรเป็นอวัตทุกข์กุศลทําก็เป็นอาวัตทุกข์กุ มีปัญหาสอดเข้ามาว่าถ้าหากว่าไม่มีการปรนนาระพระพุทธศาสนาต้องปรับอบัติทุกกฎทั้งไม่ปรนนาระถ้าเป็สุจัมรัญสาทำปัรษาขาดเป็นอาบัดิปาริยตีก็มีเป็นอวัติทุกกฎก็มีเป็นอวัติทุกกฎก็คือไม่แก้งจะทําให้ขาดถ้าแก้งจะทําให้ขาดเป็นอวบัดิปาริยติเพราะเสียสัตย์แก่ตนยังอีกเจ็บวันก็จะถึงวันปรณนาก็ดี เรื่อน้อยกว่านัก็ดีถ้ามีธุระไปก็สัตหะไปนั่นก็วารณาข้างหน้าไม่กลับมาปภ า, าวนาบีบก็ได้นี่อะไรอีกเรื่องนี้ถ้าภาวนาแล้วตักเตือนกันไม่ได้ก็เรียกว่าไม่เคารพวาวนาอันนี้ยีมข้อ่สนนอนวาอีก ยังเอาว่าเล่นเฉยๆทาเล่นเป็นวิธีเฉยๆนี่ก็ปรับเป็นอาวัตทุกบทอีกละถ้าตักเตือนไม่จะขอโอกาสหรือไม่ก็ได้ภาวนาแล้วที่เรื่องจรวจอาวัตรจะขอโอกาสไหมถ้าจรวจอาวัตไม่ขอโอกาสเป็นอาวัตทุกบทในราะเวลาอยู่ถ้าภาวนาแล้วอย่างนี้แม่ต้องจะขอโอกาสก็จรวจอาวัตรเลย อ, อ, อ็ตรวจนะว่าเอเราจะว่าค่ะท่านอย่างนั้นอย่างนี้ท่านทําอย่างนี้มันผิดท่านทําอย่างนั้นเป็นอย่างนั้นท่านทําอย่างนี้เป็นอย่างนี้นีเ่เตือนกันได้เลยไม่ต้องข อ, อขาด พ, พราพรานาแล้วในละปีละปีจึงเรียกว่ามหาพรานนาก็มีพระองค์หนึ่งออกไปยอย่างนี้จะไป พ, พรานนาข้างหน้าท่านประดิษฐ์เมื่อวานเนี่ยไปเพราะ คุณยายของแกจะเส้นลมปราณคงจะเส้นตอนคืนนี่ก็อาจไปได้แล้วก็ได้จัดผ้าให้ให้ทํนนทานบุญธรจัดผ้าให้สำหรับไปกินไปทานเอาผ้าไปให้เอาผ้าไปรไปไห้บุรนะสิบสามหมื่นหรอเงินท่าวหาไปสองพันเอาเงินไปให้สองพันบาทเนี่ยเอาไปด้วยนี่เรื่องกระถินกระฏิวัติยังไง ปัญหาขวามันนคงเรื่องกระถินในสมัยที่ผมอยู่กับลูกปู่มั่นไงาำไม่รับกระถิ่นเลยสมัยนั้นเป็นสมัยสุดท้ายของยกของลูกปู่มั่นเพราะท่านไปอยู่ก่อนวนาดสานแดงแล้วอยู่บ้านน้องปืนสองพันสี่รอยแปดสแปดท่านไปอยู่แปดสเก้าคบก็ไปอยู่ด้วยเก้าสิบก้สิบเอดเก้าสิบสองที่ไม่มีใครไปทออกรถิ่นเลยที่ลูกปูลูกปูพันลูกปูอ่อนก็ไม่มีใครไปท้อกระถิน กระถินในสมัยนั้นไม่ค่อยเทเลสยานกันือนทุกวันนี้มันมีอยู่ในผ้านักเรียนงมีในก็มาถานค่อยมาเพราก็มาถานก็ไม่มากในสมัยนั้นแล้วท่านก็ไม่นิยมกระถินอีกขึ้ด้วยทีนี้เขามาทอดกระถินลงปูมันเขาทํายังไงเขาก็บอกว่ามาทอดกระถินเขามีรางยักษ์โงแท้โคกตลาดธีดาถนนวอร์เรนต์นาคกนาย วันคมานาคมกำลังท้องถุคมนาค ม, าามโคราชท่านนั่นแหละทเที่ยวไปเที่ยวมาฮะหลวงปู่มัน่นเขาเอาผ้ามาสองนอยหลาก็ามีสองลายเมตรก็่ามีมาแล้วเขาก็บอกว่าจะไปเท่าขับจีนหลวงปู่มัน่นพอมาถึงแล้วก็ไม่กล้าว่าไม่กล้าว่ามีมั่งอย่างนั้นอย่างนี้ไม่ก่าอธิษฐานแล้วเอามากองไว้เอามาคองไว้ครับ แปลว่าท่านก็บอกให้พระเตรียมเตรียมสวดอยู่แปลว่าแต่พอมาเนี่ยเขามา้าว่าสักอทาทิตย์น่ะทุกแสงอย่างนั้นอย่างนี้น เ, นเขาก็กล่าวว่าเขาพาไปปองไว้แล้วหมดเรื่องแล้วหรือล็ อ, อมันนะหมดเรื่องแล้ ว, ห ม, ลวหมดเรื่องแล้วลออ็อกหัวมนก็อธิษฐานเลยอธิษฐานก็เอาจักรออกมาเอาจักรสี่คันยืนเขาจักประจําวัดของล็อกหัวมันมีล ม, มาตักมาเย็บกันอยู่หกวันเจ็ตวันจึงเสร็จ มีหลวงปู่มหาเป็นหัวหน้าตัดมีท่านอาจารย์วันเป็นคนเย็บผมอยู่ในกองซักอยู่ในกองแกนขนุนสมัยนั้นยังตัดจ้เป็นเนาะยังม่ยุกยังม่ยุกไล่ไปไล่ไปเป็นมูครับพวกคองฟักแกนขนุนแล้วคองต้มนม้ําลองยอมผมสมัยนั้น ยังไม่เข้าใไม่ได้หรอกเย็บก็ไม่เป็นอะไรก็ไม่เป็นตัดก็ไม่เป็นแฝดัาษาผมจึงตัดผ้าลังคาตีเป็นผมจึงเย็บเป็นแฝดภรษาเย็บเป็นตัดเป็นแฝดภรษาเรื่องตัดผ้าอย่าพาักไปง้อเรื่องตัดผ้ากระถิ่นไม่ต้องไ ป, ไปลําบากหนึ่งสองกับตีนี้ออของใครเข้ามาในขันใหญ่หนึ่งสองกัปตีนี้วของใครเข้ามาต่อใครขาารอขามนแล้วก็ขั้นน้าก็ รลดออกมาตามส่วนของกุศิตัดออกเป็นขันเลยไม่ต้องไปตัดออกแล้วมาปั่นกันหนาลำบากตัดออกเป็นขี่ๆเลยทีนี้เรื่องลง็อกก่้งออดล็อกกุ้ฟันก็ไม่มีกระถินในสมัยนั้นแต่ก็ไม่นิยมกันเพิ่งมานิยมกันในหลังล็อกกุมั่นนิพพานแล้วเนี่ยก็พระกรรมฐ า, านกน็มีมากขึ้นต่างที่กษตาในนิยมกัน กรรมฐ า, ามนที่ก่อนไม่ไม่ค่อยมีหรอกมีตั้งแต่พรนักเรียนฐางที่สุดเขาจะมาทอดกระถินเขาก็าพูดมาทอดกระถินเฉยพอมาถึงแล้วเขาบังสกพุนในสมัยยุคบ้านน้องเผือกเห็นไม่ได้รับกรถิ่นเลยทีนี้เรื่องกระถิ่นหลวงปู่บานเคยอธิบายมันเป็นของละเอียดและออมากทา่านผู้ใหญ่ะทําทุกวันนี้ไม่ค่อยถูกทา่านผู้ให พระให้ตัดในวันนั้นเพราะให้เยับในวันนั้นเพราะให้ยอมในวันนั้นจึงมีว่าพิสูจผู้กะผ้าเป็นเนาเป็นเนาผ้าเป็นย้อมเป็นรู้จักคติฐานไตกีวร์รู้จักมาติกาแปดหรืออันนี้สองห้าในอัธกถาจารย์บอกว่าให้พิสูจผู้นี้กีวร์เก่าในพระบาลีบอกว่าผู้ใดรู้จักอันนี้สองห้ามาติกาแปดรู้จักเยับยอบบุคคลิศอุกรณ์ผู้นั้นต้องเป็น เป็นผู้ฟองกระถิ่นท่านผู้ใที่ที่เขากำลังจะมาอยู่นี่นะผมเป็นวันที่ยี่ห<ส>ก <athletes> นี่ยผมมาไม่รู้ว่ากับปฏิบัติกับหมู่่อนยังไงก็ไม่ไ ม, ไ, มไม่ถูกในระหว่างคนลนะวัดแต่ผมขอประวันนาไว้ว่า พวกทร่ภาวนาอยู่ที่เรานี่แหละถ้าใครไม่มีกิวอนให้มาตัดเอาไม่มีสังฆาติก็มาตัดเอาคงจะพอกันอยู่ผมขอภาวนาได้ผ้าสบงก็เหมือนกันแล้วจากพองเราก็มีอยู่พอได้ในรยะเกี่ยวสองสามสี่คันมั่งห้าคันหคันมงคันเรียกไม่ได้ผมผมขอภาวนาหมอไว้ใครคัดคล้องผ้าให้มาตัดเอา ให้มายับออกที่ี้ระหว่างกระถินที่จะมาเนี่ยหน่อยมูจะปฏิบัติยังไงมูจะมาก็ไม่ว่ามูจะไม่มาก็ไม่ว่าเพราะเหตุใดเพราะเหตุว่าเจ้าของเขาเจ้าของกระถินน่ะ เขาก็นิ่งๆอยู่เขาก็ไม่บอกว่าพระที่อยู่จำพวกนี้เพรานยิงมันมาด้วยขเขาเขาไม่บอกแต่ ม, ม, มูจะมีศรัทธามาช่วยประตามก็ไม่ว่าแต่ธรรมรากระถินทีนี่ถ้าพูดปตามทําแล้วนะคือเขาให้รางวัลแก่พิสุผู้จำพรรษาอยู่ที่นั่นครบแต่มาสามเดือนซึ่งพัราไม่ขาดส่วนสมัยที่อยู่กับหลวงปู่มั่น เพราะมันมันไม่มีกระสินมันก็เลยบอกไม่ถูกบ อ, อกพก็สารม า, าไปช่วยกระสินคนนั้นไปช่วยกระสินคนนี้ไม่มีเพราะมันไม่มีสมัยนั้นท่านไม่รับกระสินเลยเพราะอย่างว่าท่าไมรับก็ถูกเขาก็ไม่กล้าบอกพระท่านว่าเอ็งสัปว์ปวาลกระสินาทุศังอย่างนี้นี่เขาก็ไม่กล้าว่าเขามาเขาก็มามาผ้ากองไว้ท่านคนเลยอธิษฐานเอาอธิษฐานอยู่บางสกุล ท่านก are, ็บอกว่าถ้าบางสกุลก็เป็นสงวนกันท่านพูดเราไม่ได้รักคนเดียวท่านพูดอย่างนั้นแล eyes, น <c oughs> ้ว like น้อมรับมาเพื่อสงฆ์ก็ไม่ถูกแล้น้อมรับมรับมาเพื่อตนก็ไม่ถูกท่านพูดอย่างนั้นทีนี้ท่านก็บอกว่าผ้าบางสกุลนั่นถ้าบังคาลแล้วก็ปะได้ถ้าเป็นสังฆาติจะทําสีขั้นก็ได้ถ้าเป็นผ้าบางสกลถ้าเป็น ผ้ารักกระสินทำสองชั้นผ้าจิวรชั้นเดียวถ้าเป็นผ้าบางสกุลผ้าจีวรจะจะทำสี่ชั้นจะทำสองชั้นก็ได้กรินจะทำสี่ชั้นก็ได้แล้วแต่ความประสงค์อันขาดเวลามันปรับมันทุนนะจะห้าอะไรชั้นก็ได้ส่วนผ้ากรสินนะั่นถ้ามาขาดหล้อมจัวเลือดแล้วอย่าว่าอธิษฐานกระชิ ง, งังอัตราไมขึ้นฉันพวดอย่างนั้นถ้ามีอะไรก็มีอยู่กระสินอนี่สองห้า ที่ยวไปไม่ต้องบอกลาตามเฉยนะคระับวัดทีนี่กีออนันเกิดขึ้นในทีนั้นไม่ต้องไม่กลับถ้าเป็นของส่วนตัวและเป็นของได้จากพวกเธอทน า, ายหลรอแล้วถ้าขยายกีออนออกไปจนถึงเป็นเดือนสี่ถ้าได้มาไม่ต้องไม่กลับก็ได้ถ้าเก็บไว้เป็นส่วนตัว เที่ยวไปไม่ต้องบอกลาเที่ยวไปไม่ต้องซื้อเอาไจกีวันแล้วก็กีวันแล้วก็สามืนฉันคณะโคตคณะได้ฉันวงกลมก็ได้ฉันสองหนก็ได้แต่มันมีใครเอารอกกรามังทานปัสก า, ากีวันเพื่อนใดเพืนหนึ่งได้อันนี้สมทัรษากรร็ปัสกาได้เหมือนกันแต่ไม่ค่อยมีใครปัสกากีวันเพื่อใดเพืนหนึ่งรอก สมาธิวันเือใด้พหนึ่งหมายถึงสามเถินสบงกีวอสักคติห้ามทิสุผู้อธิษฐานไตรจีวอนเกินกว่าธรรมดาทงอนุญาตให้มีมังสร้างคาติงได้เพืนเดียวมีมังอุตระสร้างยังได้เพืนเดียว มันอันตราวาสังกังได้เพื่นเดียวตอนนั้นท่านไม่ได้ข่าวน่าแต่กรณีหรือวิับหรือวิัพอะไรก็แเนีแต่สะดวกกันถ้ากรดเชมมีที่พืนถ้ากรดเชมมีผื่นเดียวจากการสะรวมก็แล้วสังขารติและจีวอลถ้าจะเอาทั้งสาติเลยกอแล้วจีวอลที่นี่เราจะว่า ถ้ามาทำมาไปหมดก็ไม่ได้มีมังอันตราวาสังกังกัทิ น, งนังอัตรามีมังมุตระสัตยังกัทินังอัตรามี้มังสร้างคาติงกัชินังอัตรามีอย่างนั้นมันไม่ถูกการพื้นเดียวท่านนั้นไม่ใช่การหลายรืนมีปัญหาขอเข้ามาว่าถ้ามีภาพพื้นเดียวมาเป็นกัทินหรือไม่มันก็เป็นส่วนวุติคานแฝกไมไ่ว่า ชาวโลกมาทํากันทีหลังเฉยๆเพื่อให้ได้บุญมากถ้าบริวารก็ไม่ได้กล่าวสตางก็ไม่ได้กล่าวแต่สมัยขางพุทธการได้เงินท่านท่านนี่ก็ไม่ได้กล่าวนี่ครัชาวโลกมาทํากันเพื่อให้ได้บุญมากเฉยๆมันเป็นการก่อสร้างว่าเพราะอันนี้ว่าก็เลยเกื่องเกเงงเี่ยวกับเรื่องเงินเกี่ยวกับเรื่องเงินม่มีในข้างพุทธการแต่ทุกวันนี้ทํากัน เพื่อจะได้บุญมากเพื่อสมทบในการก่อสร้างว่าให้ภาคธุรกิดเนนได้อาศัยบ้าแต่ว่าศรัทธาทุกวันนี้มันเพิ่มขึ้นส่วนภาคทางลายจะมีกี่ผืนกระตามจับเป็นภาพบริวารทั้นั้นทีนี้รฏิประาของเราผมมัน่นเพราะผู้ราชีกขา อ, อ ไม่มีเพราะผู้อาามาบวชในราชการก็ไม่มีเพราะสมัยนั้นเพราะสมัยนั้นมันอึนคนบวชมันอ ด, ดคนบวชทัไนั่นเ mm hmm. มื่อออกษาแล้วพระเจ้ากระชาเขาล็อกมันต้องเชื่อแล้วดูฝนเสียก่อนท่านจึงให้ออกไปเล่นยันจะสองเพลิท่านบอกว่าถ้าออกไปเว่นวิ่ง ก, ก่อนแล้ว่ะบางทีไปเจอไปเจิก ไ, ไปพบไปเห็น พวกพนักเรียนหรือกระถินอันนั้นอันนี้มันก็ไม่เหมาะทัานพูดอย่างนั้นหรือเขามีการมีงานและและดูมันก่อนเดือนจังไม่แห้งไปเที่ยวอีเวเขาําลังยากข้าวยากหน้าอะไรเขาหน้าให้เพนเดือนที่สองเฉาะกอดให้หมดะดูผลเฉพะกอดท่านพูดอย่างนั้นจึงออกเที่ยวอเวทำอย่างของหลวงปู่มั่นเป็นอย่างนั้นแต่ทุกวันนี้มันไม่เป็นอย่างนั้นใช่แล้วใครจะไปทางไหนไ ป, ต, ไปตามอาเภอใจสารพัด เังคงร้องว่าผมไมเป็นอยางนั้นแล้วผมาหาองคท่านกบ่นอยู่แต่ทิ้นที่ไหนก็ถิ้งที่ไหนก็มาเอาแต่เรามาเอาแต่เราประเทศทา่านพูดอย่างนั้นเราเป็นพี่บ้าหางังนเนี่ยคนโอหน้งปูงครับบ่อยู่เมหมือนกันถ้าน้องปูมาหาไปภาคที่สาลของเรามันได้เงินมาก เขามาในมลหลวงปู่มหาไปเป็นหัวหน้าเทศอเป็นหัวหน้าเทืองท่านทั้งไปทั้งบุญหลวงปู่มหาแต่ว่าไปแต่ว่าบุญเอาเราไปห้างเงินข้าวหนึ่งข้าวพุทธาพิเศษมัดโพล่าผมก็ไปด้วยข้าวหน้นปัญญาไปเจอท่าน เหนื่อยไหมท่านอาจารย์มาหาเพราะท่านลงรถทหารลงมาเลยไปกระตับมามะหุ่มมะหงอท่านเราก็บอกว่าเออพระเชิญลับไปเชือกเกาะโกนท่านยังไม่ปด้สงน้าแตกเลยพวกทหารแตท่านเลยไ ป, ไปสงน้ำเองพอสงน้ำแล้วเขาก็ถามท่านพระอยู่หน้ากละถามเหนื่อยไหมท่านอาจารย์มาหาคนเหนื <c oughs> <ง>่อยชิดเหนเพราะหมู่ หมูห้างเงินนะเอาผมมายุ่งุู้ชายพิเศษมุนไปจาปีมุนไปจาปีหมูห้างเงินแล้วเอาผมมายุ่พธธพ ง, งมมพูดอะไรันเลยผมก็เหนื่อยสิอเอาไปเลยทำท่ามมนสนใจเียงว่าท่านแ๋าละอายผ้าอยู่ในวัดของเราเีอยู่พอได้ ไม่ได้จ่ายผ้ามากเะครัพี่นับจะออกคนซษามาแน่วจนถึงปัจจุบันนี่คงจะถึงพันเมตรทั้งเอานี้ทั้งใช้อยู่นี่แล้วก็ยังย่งหนูเรจะได้ใช่เราหมดทุกคนในพวกคงถพออยู่ภาคกิกกวังคนละผืนภาคกิวังคนละน ผ, มผมอือนคงคงถ่อหมดเราทุกคน วาจะเอาคนละใกรคงสมแห้พอเอาคนละผืนวพออยู่พอเชียวกมดเราทุกคนทุกเจ็ดสิบคนพุกสมอยทำแบบต่อหเอาฝกเขาทุ่มให้ก็พอจะรอดพอเราตั้งใจปฏิบัติพ่อทุกค้นทุกคนถ้านก็เกียรติกแล้วะจะไปเชื่อใจตามองเธอใจทุกขอนทุกเหต มันก็ต้องเรามากังวลนี่ น, นั่นนั่นแต่ก่อนแล้วเพราะบ้านเมืองทรุดถอยป่าก็มีน้อยทางรัฐบาลก็หว่วงอยากจะตัดป่าออกจากพระพุทธศาสนามันตัดไม่ได้หรอกถ้าตัดป่าออกจากพษษษุทธศาสนาจะบอกอนุศาสิ ษ, ษ์ยังไงปัญหาเนี่ยทำเจ็ดอย่าง ทำให้เป็นที่ตั้งแห่งความเสื่อมเป็นไปประยงบางเจริญฝ่ายเดียวเียกอภิหารอย่าทำในเจ็ดอย่างหนึงวันประชุมกันเมืองนิดสองออกประชุมข้อเพียงออกประมเมื่อเลิก็ระชุมขอเพียงกับเรื่องแล้วข้อเพียงก็กันทร์กรรมิตที่ต้องร้องทำทาให้มันหยัดสียที่พระเจ้ามันอยัดขึ้นแม่ถอนสีที่พระองค์ทรงมันหยัดไว้แล้วสมาทานศึกษาวิธีศึกษาบทตามที่พระองค์ทรงมันหยัดไว้สี่ที่ช่วอะไรเป็นผู้ใหญ่เป็นประธานในสงฆ์เขาต้นักถือที่ชัวนั้นเชื่อฟังทอําิองท่านข้อห้าไม่รู้อํานาจแก่ความอยากที่เกิดขึ้น ยินดีในเสนาธนาปัปนั่านั่นนั่น่นนั น, น, น, น, น, นเกจตั้งใจอยู่ว่าเพื่อนพสามเณซึ่งเป็นผู้มีศีลที่ยังไม่มาสู่อาวาสเขาให้มาที่มาแล้วเขาให้อยู่เป็นสุขเป็นสุขทำเชตย่านี่มีอยู่ในผู้ไอใดเพื่อ น, นั้นไม่มีความเสริมเลยมีแต่ความเจริญฝ่ายเดียวนะถ้าตัดป่าออกแล้วก็ไม่ได้ผมก็ฟารถบอยู่บ่อยก็พวกครูพวกนักศึกษามาตลอด ถ้าทัดป่าออกแล้วพขาเป็ไนไงถ้าตจพี่ล็อพครบเนอผมพูดอยู่บ่อยๆอยู่ผมยอมตายเพราะปตยที่บกพกแต่รเริ่รรม่มีป่าเยอะทั้งนั้นอรัเญาลูกขมุงเรามางุนงานงานเรียวพุทธิพิะโตเยาวพิฆโตลุนยาคาเรียวพิโทักทักสูตรวัดป่าเขตตะวันมหาวิหารเขาเป็นวัดป่าเมภูม เชตตวันก็คือป่าเชตตะวันมหาวิหารยี่ิบห้าเส้นไกลจากวัดเมืองสาวัตถีไปทางที่นี่มีผู้สร้างวัดชิบยสี่ยี่ห้าโกดกระเป๋าเดียวนั่นนั่นนั่นเราจะว่าข้างพุทธการไม่มีการพัฒนาวัตถุนิยมไม่ถูกเรามายอกวัดพัฒนาทังวัตถุนิยมทั้งอรมณ์ปิกระเป๋าเดียวสี่้าโกด สทุกวันนี่มีใครไปถวายให้พระพอสีขาวโกดบ้ากนั่นเราจะดูถัว่วข้างพุทธการไม่ไม่สร้างมันสร้างสร้างเหมือนกันอนามายเป็นที่เกษตรสีสีขาวโกรธชิบล้านยิ่งไปโกดธสีขาวเอาสิบตะกูลดูซิสีขาห้าชิบชิบสี่สีชิบสีขาวอ๋อสีขห้าชิบโกดธแค่ไหมสีขาวห้าชิบล้านแค่ไหมกระเป๋าเดียวนั่นนั่นนั่น วัดบู๊พระรามอยู่ทางทิศตะวันออกทิศตะวันตกเฉียงเหนือนี่น้ามสาขาสร้างชิโเก้าโกดก่นหนึ่งเอาซิบเอาซิตะคุดูดูรูเอาไปคูณชิเก้าชิ้เก้าเก้าิปซิปหนึ่งมันชิบมันชิ้นเก้าไเก้าซิปโกดก่ะเป๋าเดียว ทุกวันนี้กระเป๋าเดียวใครทําไม่มี น, นวัดป่าท้งนั่นล่ะเนี่ยบุฟารามไตรจากไตรจากเมืองสาวัตยี่สิบห้าเส้นลัดที่วันสวนตหนุ่มก็ไกรจากราชคือยี่ห้าเส้นห้ารอยขาธนูห้าร้อยขาธนูขาธนูหนึ่งสี่ศอก5้าร้อยขาธนูมันก็เป็นยี่สิบห้าเส้น ถ้าเราจะไปตัดป่าออกแล้วพระไตรปิฎกไม่คบนเราก็เถียงเหมือนกันอ่ะเอา้าตัวตายเราแม่มันอยากเกียงที่พุทธเจ้ามันอยากขึ้นแม่ถอนสิสงชั่วของทรงมันอยากไว้แล้วนั่นถ้าเราตัดป่าออกก็ถอนสิ่สงชั่วของทรงมันอยากไว้สินั่นให้อาศัยอยู่อยาไปสร้างวัดอีกต้องคอฟังอยู่พราะวัดมันมีมากแล้วไม่ให้อาศัยวัดเลยแม่ให้อาศัยป่าเลยผมผมไม่ไม่ลงด้วย ก็ตายผ ม, ผมไม่ลงด้วยการตั้งกฎหมายไป ม, มองรูเพราะพุทธศาสนามันก็ไม่ถูกทีนี้ถ้าเราาดด้วยใจก็กรรมกรรมคือทําอะไรอะไรประกอบด้วยเมตตาด้วยวิจิกกรรมคือพูดอะไรอะไรประกอบด้วยเมตาด้วยมโนกรรมคือคิดอะไรอะไรประกอบด้วยเมตาทีด้วยความเป็นผู้ไม่ปิดประตูหรือห้ามไม่เข้าบ้านเรือนห้าด้วยเฮาไม่สถาน ถามาพรามได้รับมโนชนได้แล้วน้อมอนุเคราะห์คนระบบด้วยสถานหกหนึ่งห้ามมันกระทําความชั่วสองใหตั้งอยู่ในความดีสมให้อนุเคราะ์ด้วยน้าใาอนาตสี่ให้ฟังสิ่งที่ยังฟังและให้แกมหนึ่งห้ามมันระทําความชั่วสองใหตั้งอยู่ในความดีสามอนุคระห์ด้วยนําใจอนุานสีให้ฟังสิ่งที่ยังให้คยฟังห้าทําสิ่งทําสิ่งที่ฟังแล้วให้แกมหกบอกทางสวรรค์ให้นั่น้างาราวาสมีอย่างนี้ วา ย, ยาวิทยากรสองจำพวกมวา ย, ยาวิทยากรจำพวกหนึ่งทำตัวเป็นนายพระนายเนรจำพวกหนึ่งทำตัวเป็นลูกศิษย์พระวายาวิทยากรสองจำพวกนี้ผู้ทำตัวเป็นนายพระนายเนรไปนรกผู้ทำตัวเป็นลูกศิษย์พระยยรพพเจเนไ น, เป น, น, เนไปสวรรค์เป็นมุทุกันคัดออกมาจากข้อใจพิโลกมีในหลวงพระเท้ในสมัยสองพันห้าร้อยผมได้อ่านอยู่ ผมลืมจดไว้รับเรืมเขียนไว้ว่าเป็นเล่มเท่าใดมันเป็นหน้าเท่าใดผมลืมเสียดาไแค่นี้แล้วจะทำตัวจะเป็นผีดกหนึ่งมันไม่พบง่ายนั่นไม่เห็นง่ายผมเสียดาผมอยากเอามาเถียงคนอยู่อันี้ที่นี่ผมมีคำสอดคำว่าอะไรก็ว่าถ้าฆราวาสไม่ยอมตัวเป็นอุบาสกอุบาสิกาที่นี้่น่าจะผีตัวไหนม่ยอมนี่ผมก็แทรกเข้ามานี่เองนีั่นนั่นฆราวาสทำตัวเป็นนายพระนายเนรนั่นเอ้า ผู้ท่านเขาอธิบายผู้ลายถูกลูกกระสุนเขานี่เราตายเราเราตายพระไตรพิรลกแต่แรลีวยมเรยมเลี่ยมมีป่าทั้งนั้นอ้าที่สุดจำพันษาเนี่แต่นะนาป่านะเน่ยออกพรษาแล้วอยากจะเก็บใจตีวันเพื่นในเพื่นหนึ่งไว้ในบ้ากเมื่อมีเหตุเขาเก็บไว้ในเพียงหกคืนเราเรียนดีในที่สงัดหรือไม่คุณมิเสียของเรามีอยู่หรือไม ที่จะทําให้เราเป็นผู้มันก็ขืนในเวลาเพื่อนมาไม่คิดถามในการภายหลังปัจจัยเครื่องอาศัยเขามาไม่คิดเรื่องนิสัยมีสามอย่างอ่เที่ยวบินเทาบาทหนึ่งนุ่งห่มผ้าบางสกคู่หนึ่งอยู่คนตอนน้อยไม่ต้องว่าเพราะมันตัดออกแล้วฉนยอมยอมไม่ยอมไม่เล่ามันก็มีสามอย่างสิปัจจัยเครื่องอาศัยเขามาไม่คิดมีสามอย่างฉะนั้นถ้าประตัดอันนี้ออกผมมายอมเหมือนกันถ้าประัดเปล่าออ ไม่ให้ไปสร้างวัดอีกพอฟังหนูส่วนสร้างแล้วก็เรียกไปสร้ส่วนพวกได้สีมาที่ชุ้งขามที่มาแล้วก็เรียไปสร้พวกที่ยังไม่ได้ถ้ามันจะสร้างเป็นตุกแขนเนี่ยนะเราฟังให้เรยกไปสรผมยิน ด, ดีด้วยถ้าผูอย่างนั้นวัดนิโคธารารมฟ่าไม้ในโคดรก็วัดป่าเ อ, อ้า สวนแม่มะมววงของนางของพระเจ้าพัฒนเคนของพระเจ้า อ, อะไรนางมันลีกาถ้าพัดฝ่าออกนล้วถ้าใจพี่เขาไปฟบผมไม่ย็นรีด้วยในบรรยากาศสิงที่พระเจ้ามันบยากขึ้ น, นที่พระองค์มันจงมันยังไว้แล้วเอ้า สังขา ย, ยัางไงข้งทงงี่นี่พิสุอาณหันห้าร้อยองค์ยังได้อ้างอยู่เหมือนกันทำข้อ น, นั้นพระองค์เจ้าแ ท, อท็อยู่ที่ไหนอยู่ที่ไหนพระอา น, นุ์อยู่ที่ไหนนะได้อ้างเท่หมาอยูส่สงต้องการถอนทิศขาบทเล็กน้อยก็สอนได้ใช่นหออแต่ทิศข้าบท่า น, นเพียงแค่ไหนนะถ้าอ น, นุ์ยังไม่ได้กราบทูลพระบรมศาสนาก็เลยปรับอาวัตทุกฎของพระอา น, นุล อ, อนุนก็ยอมให้ปรับพระเทละทั้งหลายซึ่งเป็นพระรหัสแรกก็ไม่กล้าถอนเพราะเก่งว่าจะไม่ส ม, ม่ำเสมอก็เลยเอาไว้ตามเดิมนักหนักแต่มาสางสมัยทุกวันนี้เราถอนออกมันจะถูกไหมล่ะนักมันก็ไม่ถูกเราก็ไม่ลงอันนี้ไปายไปตา ย, เ, ตายเราไม่รูม้มนขาดนิพพจิตกับบัญญัติที่ภูเขาคิดจะกูดป่าอิสิปตน า, าวิขายาวัน ก็แสดงธรรมจักรประสูตรก็ประสูตรป่าลุมพิเนวันทัศรูปก็ทัสรูปตะมนต์พุทธคยาแสดงธรรมจักรก็ป่าอิทธิปุตตะนมิกทายาวันหลวงอายุสังขารก็เยรุวัสวนมาภัยเสร็จเข้าสู่พระนิพพานก็สารมโนทยานทางที่ตนออกของเมืองกุสินาราป่านางลังนั่น นั่นนันั่ น, น, นตัดป่าออกแล้วผมไม่ยอมละวัดขาดผมก็ไม่ยอมให้อาศัยอยู่แต่ไม่ให้สร้างวัดต่อไปเอต่อฟังอยู่เพราะป่ามันมันน้อยแล้วเพราะอย่างนั้นนี่ปัญหาสอดเข้ามาว่าผมก็เถียงทีนี่วัดมันมีมากในประเทศไทยไว่าอย่างนั้นเอา้าก็ประเทศไทยมันถือศาสนาพุทธประเทศไทยไม่มีวัดมากจะให้ประเทศผีตัวไหนมามีวัดมาก นั่นผมก็เสียงไหนมันกันที่นี่ทำไมรัชการที่หกมีคนละเมืองชี้ศีรล้านเศษแต่เดี๋ยวนี้มันมีหกชี้ล้านแล้วจะให้บ้านมันจะให้วัดเท่าเก่ามันก็ไม่ไม่เท่าสิมันก็ออกไปถ้าอย่างนั้นทำไมไม่บังคับบ้านให้เท่าเก่านั่น๋ยวไปชี้กันออกมาถ้าอย่างนั้นผมจะพูดแล้วกันก็ประเทศเท่าเก่าอยู่ที น, นี่ จะไม่ให้วัดมากจะไม่ให้บ้านมากจะทายังไงก็ต้องแบ่งกันอยู่สิไม่แบ่งกันอยู่ที่ไหนก็ปลาสงวนที่ไห น, นปลาสงวมันลุกไม่สงวนหรือนี่ผมเสียงนี่ไหนก็ปลาสงวนที่ไหนก็ปลาสงวนุ่นนง ม, มันก็สงวนเหมือนกันถ้าอย่างนั้ น, นเกภาษีทาไมนะ สไม้ไ ม, มองดูความสอนอพุทธศานะสนาะปศุไมสนันนักธรรมิหรือพุทธังส น, นันนักมิเอา้าผมมาลอบย่อมเนอ้นี้พูดใี่ไม่รู้ยิ่งเนี่ยไปสางกฎุไม้พวกมหาแปรประโยคเข้าประโยคมันไปตายที่ไหนทาไมไมันไปตร้างมันลาที่ขาออกไปแล้วมันแตกเข้าบานแล้วมันออกไปมันทาไมมันไปตั้างปศุไมมาเบียดเบียนในพุทธศาสนาะ ผมพูดอย่างนี้แหะผมตายก็ตายผมเท่าไรละนี่การตั้างกฎหมายไม่มองดูวพุทธศาสนามันก็เป็นนายพระพุทธศาสนาซิมันไม่ยอมเป็นลูกศิษย์แต่ทาอย่างนั้นถูกไหมนั่นถ้าเอาบาสบ า, า, บาี่กาไม่ยอมเป็นลูกศิษยร์ระตั้งที่ตั้งแล้ า, ายล้าไป ที่กฎหมายฟื้นไม่มีผมไปถามเหมือนกันผมไปถามเขากฎหมายฟื้นไม่มีครับกฎหมายฟื้นที่มีทําขนมขายแล้วก็ขาทานขายเขเ อ, อ็ดขายลำเลียงขายแต่เพราะใช่เฉพาะใช่ครอบครัวของใครของมันไม่มีกฎหมายอะไรอันนี้เหตุผลนเป็นกฎหมายเก่าอันนี้จะไม่ได้ดัดแปลงอะไร กเราเขอให้ตั้งใจภาวนาให้ทุกทิศทุกทางเขาหุ่มมาเขาก็ระโดระล่มจมพข้พุทธศาสนาโดยทางตรงและทางอ้อมทุกคนทุกแห่งอือยู่เบื้องหลังมีอยู่เบื้องหลังคืออะไรนี่นี่ น, นี่อะไรอันนี้เขาเรียกว่าอะไรเรียกวอะไรฮะนะนะ ผมทาอย่างนี้อะไรดูว่าอะไรอันนี้รู้ไหมือว่าหลไรอันนี้แต่ก็ร้อเปเซ็นข้างพระที่เจ้าก็เอาเหมือนกันเปลียเรียนเหมือนกันดูเขามาฆ่าโมฆคลาดูสิเขาเพื่อจะให้เขาพื่อทาสงาแต่แต่แต่เจอเขามาฆ่าพระโมคะานั้นทยักปติภาษาจติ เขาทำสมาบัดสมาธรริธรรธรร่ทุกๆๆจะไหมละ่ะเขาเอาเอาเขาถ้านับมวยเอกไม่มารองกันมันก็ไม่รู้จักดีเ<ม>บียดเบี้ยนผู้ท้าทายน า, ามันก็บวกนํารายขึ้นฟ้าละข<ม>ึ้ฟ้าใช้ต้นเขามันก็กระเด็นถูกหน้าเหมือนกันกํามกรรมฝนโตลมมันก็เข้าหน้าของตัวผู้ที่เบียดเบี้ยนผู้ท้าายนะอยู่ข้างหลังนี่มเทลงเงินเป็นรายล่าก็ไม่สราบเลย อัตคัปต์ตปกัพวกเรานับเจ้าุณนับวันจะอัธคัปต์ไปเที่ยวเขไปเที่ยวตามสำนักของเขาไม่เหมือนแต่ก่อนเพราะที่ไห น, นดีเขาก็อยู่แล้วไม่เหมือนทุกแต่ก่อนแต่ก่อนป่ามันก็ไปจริงจริงแต่ทุกวันนี้ไปเที่ยวตามสำนักว่าที่ไหนมันพอเหมาะอยู่แล้วเขาก็ไปอยู่แล้วถ้าเห็นสำนักไหนมันจะสงบจะก็ต่อไปแล้วขอเหนียวนอกพระพุทธธรรมพร ะ, รระสงฆ์เทวุเทวราพระยมพระภูมพร ะ, มพระยมพระกาแล้วก็โลกกระบาลทั้งสี่ น้าเด็กคนและคนที่าทาทงหลายมาทำทั้งหลายพระยาสงฆ์ทั้งหลายอันหาประมาณไม่ได้ตลอดถั้งเทวุเทวราพิศสกษษษุมพยมพระ ก, การจิตโล ก, กบาลทั้งสีต้องตามรักษาพระพุทธศาสนาให้เจริญรุ่งเรืองตามเืิอยาได้มีโชมลามาเลยถึงวัยหน่อถึงวหมเวียงวอนก็ไม่เป็นไรแต่ว่าเวียงวอน ถ้ามยังวร์ก้ค่ากับเราไม่รู้ยัโวยันเรารู้แล้ว น, นี่สวดอันนี้สวดรณีนี้จะสวดวันนี้กร น, นียมารนยะังตั้งใจนั่กับใจจันทร์ ส, รสาธุจสุสวด เข่าลมออกถ้าเราไม่ขยายเราก็ไม่สงสัยจะขยายหรือไม่ขยายก็ไม่สงสัยจะย่นหรือไม่ย่นก็ไม่สงสัยพระอาณาพระนสติลมให้ยใจเข้าออกดึงกรรมฐา น, นอื่นๆมาให้อยู่ได้ถ้าจะพิจารณาให้เป็นปัญญาพอเรารู้ว่าลมเข้า มันก็เป็นอดีตไปแล้วพราะเราบัญญัติว่าต้นลมถ้าถุที่ในน้ำไฟลมเขาไม่รูปอีนูอีนี่อะไรไปชุมกันเป็นกายเรียกว่ารูป้าถุที่ในน้ำไฟลมไปชมกันเป็นกายเรียกว่ารูปมีผมขนและฟันน้ำเนื้อเอ็นกระดูกเยอะนกระดูกมากเข้าใจตับพังผืดใจปอดใช่ใหญ่ใช่เล็กอันใหม่อันเก่ามีเรียกว่าธาตุดินดีทะเลนองเลือดเหงือมันก้นน้าตาเปลียมันน้าลายน้ำมูกน้าไข่พอน้ํามูดอันนี้แปลว่าธาตุน้ำไฟที่ยังกายให้อุ่นไฟที่ยังกายให้สดชื่นไฟที่ยังกายให้โกลนก็ว ไฟที่เผาอาหารให้ย่อยอันนี้นี่คือธาตุไฟลมพัดขึ้นบางบนลมเผาลมเลอลมอวกลมพัดลงเมื่อต่ำลมถายลงหรือลมถ่ายวัตตะถ่ายพระตะลมในท้องนอกไส้ลมในไส้ลมพัดไปตามตัวเส่นเอ็นลมหายใจเข้าลมหายใจออกนี่เป็นธาตุลมก็บัญญัติว่าเป็นเป็นลูกขันดินน้าไฟลมผสมกันเป็นกายเรียกว่ารูปเรียกว่าลูกขัน รูปขันกับรูปพระโลกมีความหมายอันเดียวกันกับรูปพระธรร ม, มก็มีความหมายอันเดียวกันกับรูปพระธาตุก็มีความหมายอันเดียวกันสิ่งเหล่านี้เกิดขึ้นลแล้วก็แปรเปลี่ยแล้วแตกสลยายเหมือนกันดินก็แตกไว้เป็นดินน้ําก็ไปแตกไปเป็นน้ําไฟก็แตกไว้เป็นไฟลมก็ไปแตกไว้เป็ น, น, มปนลมที่ใเวทนาความสว ย, สวยอารมณ์สุขทุกข์เบีขาก็จัดเป็นกองเวทนาเวทนา กองสัญญาความ จ, ำจำําจํารูปจําเสียงจํากลิ่นจํารสจําผูดจำพระจำธรรมารมก็จัดเป็นกองจำเอกเหมือนกันเรียกว่าเวทนาขันเรียกว่าสัญญาขันสัญญาแปลความจําสังขารความปรุงแต่งแหง่งจิตบางทีก็นึกไปทางดีว่าบางทีก็นึกไปทางชั่วว่างวนเวียนกันอยู่ีเรียกว่ากองสังขารกองวิญญาณถึง วิญญาณมาจากที่ไหนอาศัยรูปกระทบตาเกิดความโลขึ้นเรียกจักุวิญญาณอาศัยเสียงกระทบหูเกิดความโลขึ้นเรียกรัตวิญญาณอาศัยกลิ่นกระทบจมูกเกิดความโลขึ้นเรียกขานะวิญญาณอาศัยรสกระทบลิ้นเกิดความโลขึ้นเรียกคิวหาวิญญาณอาศัยฝนทับกระทบกายเกิดความโลขึ้นเรียกกายวิญญาณอาศัยธรรมารมเกิดขึ้นกับใจเรียกอโนวิญญาณธรรมารมคืออะไรคือตาหูจมูกลิ้นกายใจ ตาตาห ง, งจมุกเลี้ยกายที่ลวงไปแล้วและที่ยังไม่มาถึงทั้งอดีตด้วยทั้งอนาคตด้วยทั้งปัจจุบันด้วยบางท่านก็ถามว่าวิ ญ, ญญาณมีมมไหมก็มโนวิญญาณผู้ถามก็เอมโนวิญญาณถามผู้ตอบก็อามโนวิญญาณตอบผู้ถามก็ไม่ควรถามผู้ตอบก็ไ ม, ม่ควรตอบ ศาส น, นาเบางต้นสอนให้ทำมาหาเลี้ยงชีวิตในทางที่ชอบเมื่อปลายสอนให้เรียบเร่งภาวนาเพื่อให้หลุแท้พ้นจากวัฏจักรสงสารเพื่อให้หลุแท้พ้นจากความเกิดแก่เก็บตายและโลกกรดหลงของตนเพื่อให้ข้ามทะเลหลงความหลงขึ้นงอยบนบาของพวกเราไม่มีกลางวันกลางคืนเพราะเรามีอุ ป, ปาทานยังไม่มีญาณว่าผลทุกข์ในวัจจาทรสงสารจากได้ ความหลงก็ขี่คอของพวกเราอยู่ตาบนั้นเทคนิคแต่ว่าลงน้อยหรือลงมากเท่านั้นนายควนชาควน ม, มากมันก็ขี่คออยู่เป็นบางข้างบางคราวมันก็ลงไอ้ความหลงเนี่ยไม่ลงจากดวงคิดใจของพวกเราเลยมันตั้งบ้านตั้งเมืองอยู่ที่รอบเมืองใจของพวกเราท่านมาบัญญัติว่าอาวิชชาอาวิชชาก็คือความโง่อวิชชาแบ่งออกเป็นสี่ไม่รู้นทุก ไม่รู้ในทุกขสมุทัยให้เกิดเกิดทุกไม่รู้ในทุกขเนรโรธไม่รู้ทักทุกขเนโนตขามนมีปฏิปทาโดยใจความก็คือไม่รู้สินสมาธิปัญญาเป็นเครื่องปฏิบัติออกทุกเป็นผลของสมุทยัยสมุทัยเป็นเหตุให้ทุกเกิดมัมกเป็นผลของเนรโรดเนรโรดมักเป็นผล นิโรธเป็นผลของมักมักเป็นเหตุให้ถึงนิโรธมักก็แปลว่าความปฏิบัติเพื่อให้ถึงความลับากทุกมักก็คือเหตุคือกรรมคือพืชผลก็ผลของเหตุผลของกรรมขององพืชคำว่ามักก็หมายความเป็นภาษาบาลีคำว่านิโรธก็เป็นคำภาษาบาลีแปลเป็นไทยว่าบอกว่าทำให้แก้งในขั้นท่านลท่านดานซักอ่อ ย, อย่างนั้นนะคำว่ามักแปลว่าความปฏิบัติให้ถึงความลำบทุกความไม่สบายกายไม่สบายใจและยกชื่อว่าทุกพระเป็นของทนในยาก ตัณหาคือความทะยานอยากได้ชื่อว่าสมุทัยเพราะเป็นเหตุให้ทุกเกิดตัณหานั้นมีประเภทเป็นถามคือตัณหาในอารมณ์ที่น่ารักใครชอบใจเรียกกรมะตัณหาอย่างหนึ่งตัณหาในความอยากเป็นโน้นเป็นนี้เรียกวิภาวะตัณหาอย่างหนึ่งตัณหาในความไม่อยากเป็นโน่นเป็นนี่เรียกวิภาวะตัณหาอย่างหนึ่งความดับตัณหาได้สิ้นจึงทุกทั้งหลายก็ดับไปหมดได้ชื่อว่ามโรตเพราะเป็นความดับทุกขปันณานเห็นเ่าวว่าสิ่งนี้ทุกสิ่งนี้เหตุให้ทุกเกิดสิ่งนี้ความดับทุกสิ่งนี้ทางดําเนิินนใถึงคคควววาาาามมมบบบรุุททกไดด้้ชื่่อเเพปป็ฏััตห มักนั้นมีองค so. ์ง ด, รร ด, ดประการคือปัญญาเห็นชอบหนึ่ happen, really, งดำบิชอบหนึ่งก <m ys minute> ิราชอบหนึ okay. ่งทำกิจชอบหนึ่งทำควมเพียรชอบหนึ่งตั้งสติชอบหนึ่งตั้งใจชอบหนึ่งเรื่องชีวิตชอบหนึ่งย่นลงมาก็คือศีลสมาธิปัญญาเราดีๆนี่เองนั่นศีลของปัจสดาวันสมาธิของปัจสดาวันปัญญาของมัสดาวันศีลสมาธิปัญญาของปัสกาธาคามีศีลสมาธิปัญญาของพระนาคามีศีลสมาธิปัญญาของพระอรหันต์ก็มียิ่งใหญ่กว่ากัน ตามทานันดนศักของท่านสินสมาธิปัญญาของพระพจิตรสินสมาธิปัญญาของพระสมาธรรมพุทธเจ้านี้ยิ่งยอดกว่ากันเป็นลำดับตามทานานรูปของท่านตามปัญญาของท่านพระพุทธเจาถึงนา้าไม้เอาไม้เอาสุพจรปโนเป็นต้นไปเป็นเกณฑ์พวกมีสินห้าบริบูรณ์ไม่ใช่ได้อย่างร่งละเมิดสินห้าอย่าก็พร ม, มจันท์เบื้องต้นคือสุภจรปโนเราดีๆนี่เอง อันยัทัตุเทศไม่ถือศาสนาอื่นด้วยไม่ยินดีในศาสนาอื่นไม่ยินดีในศาสนาอื่น ท, ทําไมถึงไม่ยินดีเพราะมีความเห็นว่าพีอ่อื่นๆไม่ละเอียดและออนเหมือนพระพุทธศาสนาจึงเป็นเหตุให้เลิกถอนความยินดีในศาสนาทั้งปวงถ้าหากว่าถือว่าดัตที่อื่นๆมันดีกว่าพระพุทธศาสนาหรือมันเท่าเทียมกันอย่างนี้มันก็เป็นเหตุให้ไม่พอใจในพระพุทธศาสนามันมองเห็นหมดแล้วมันจึงเลือกใช้ในพระพุทธศาสนา นี่เรียว่าสุภเปนูสโภเจปนูต้องเชื่อกำและคนข้องกร ำ, ำมากที่สุดคดีดําคดีแด ง, งในโรงในศาลมันจบเกษียณเป็นคดีดําคดีแดงที่สัตว์ทั้งหลายสร้างขึ้นมันจบเกษียณมาเป็นทางดีก็เหมือนกันทางชั่วก็เหมือนกันตามไปจนถึงชาติเข้าสู่พขณีาพาน น, นี่ฉะนั้นจึงยอมรับนั บ, นบถือว่าพุทธศาสนา พุโทโธแปละว่าระบาปบำเพ็ญบุญธโมส่งไม้ซึ่งระบาบบำเพ็ญบุญสังโฆแปละว่าปฏิบัติระบาบบำเพ็ญบุญตกลงพุโทโธธโมสังโฆก็อยู่ที่แห่งเดียวกันที่ดวงใจมโนภ พ, พังกามาธรรมามโนเสต้ามโนมะทําทั้งหลายด้ใจเป็นใหญ่สําเร็จแล้วโดวยใจผีไม่มีแก่ผู้ไม่ถือบาปไม่มีแก่ผู้ไม่ทำํำผัวเมียไม่มีแปลกแก่ผู้ยอมเป็นสูตร หลวงพ่อหลวงพ่อไล่ผีให้บ้างเออไล่ผีก็ไล่ออกจากกายนั่นเองจะไปไล่ที่อื่นมันก็ไม่เห็นตัวมันละถ้าใจไม่ถือผีผีก็ไม่มีเพราะผีมันมีตัวผอสจารีอยู่กัวผอสจารีอยู่ที่ใจเพราะใจเป็นสมมติมันถ้าใจไม่ถือมันก็ไม่มีผีไม่มีแก่ผู้ไม่ถือบาปไม่มีแก่ผู้ไม่ทำผัวเมียไม่มีแก่ผู้ไม่เแกผู้ยอมเป็นโสติเลสไม่มีแกผ่านหันผู้ท่านละไปแล้วอะ นี่จะปลาอกอะไรก็ปลากนะไม่รู้ว่าจะพูดอะไรพอพอพเพวาจะเลนา่เวลาที่ญาตโจมเนี่ยไปถวายทห า, หานแต่ฝนตกนะสนตกก็่าน ถ้าญาติโยมไม่รังเกียจก็ไม่เป็นปัญหาถ้าถือเป็นเลนของพระแล้วรังเกียจก็ไม่ต้องฉันถ้ามาถือว e ่าไม่ไม่รังเกียจก็ฉันไม่เป็นไรเพราะท่านไม่เป็นห่วงถ้าว่าเป็นห่วงท่านจะเอาไปฉันเพลิอยู่มันก็ไม่ก็ไม่ถูกอีกถ้าท่านไม่เป็นห่วงไปฉันเพลิมันก็ไม่เป็นปัญหาเนี่ยมันเป็นปัญหาหรอกว่าไง ก็ทำถลั่นแล้วก็รู้จักพฤติการของกันอยู่แล้วรู้จักธรรมเนียมของกันอยู่แล้วก็ไม่ต้องขอไม่ต้องบอกทุกครั้งเลยแม้แต่ไม่รู้จักพฤติการของกัน ถ้ารูจักพฤติการของกันรู้จักประเพณีของกันอยู่แล้วก็ไม่ต้องขอต้องบอกพระไม่จาเป็นจะไปบอกทุกขัง้งเพราะรู้จักปฏิปทาของท่านแล้วว่าท่านฉันเมื่อเดียวท่านไม่หวงอีกอย่างนั้นเราก็ฉันได้เลยถ้าเป็นพระที่ฉันเพลิยหวงก็ลําบากก็ต้องถามท่านก่อนแต่ถึงยังไงท่านละออกไปแล้วท่านก็ไม่เกี่ยวหรอก ถูกสงข์กกอนุญาตแล้วและเป็นประเพณีด้วยก็รู้จักประเพณีกันอยู่แล้วน้ำงพึ่งเรือเสือพึ่งป่าป่วยพึ่งหม อ, อ, อรู้กันอยู่แล้วไม่เป็นไรดรอกอันนี่ย พ, พระอนุญาตแล้วน้ำงพึ่งเรือเสือพึ่งป่าถ้ายมมาหาไม่มาหาพระก็ไม่รู้ว่าจะไปหาผีตัวไหนเนี่ยข้างพุทธการมีมากกว่านี่มาเป็นตั บ, ตบเลย มาเป็นตั้งหมื่นๆท่นแฉนเลยมหาพมโปลมศสสาตาเขาก็คงดื่มอยู่วัดเขาก็คงถ่ายอยู่วัดนั่นเองถ้าเขาปวดเขาจะวิ่งไปไหนมันก็ต้องถ่ายอยู่วัดดื่มอยู่วัดนั่นเองวัดสาวตถีเป็นวัดใหญ่วัดโตโภธานนในขั้งพุทธการสร้างวัดสาวัตถีสี่ขีพ่าโกฏอนาถอนาถะพินที่เกษตรถีนั่นสร้างสี่ขีพ่าโกฏ โกดมันเป็นโกดจริงๆเป็นเรื่องเงินจริงๆไม่ใช่กระดาษเหมือนเราสี่ิบห้าโกดเอาสิบไปคูณดูสิจะเป็นกี่ ล, ล้านสิซิบล้านจึงเป็นโกดซิบห้าห้าสิบซิบสี่สี่สิบเป็นสี่สิบห้าสี่ร้อยห้าสิบโกดสีร้อยห้าสิบ้านใช่ไหมกระเป๋าเดียวน่ะไม่ได้แผ่ได้ขอใครเลยไม่ได้มีซองเขียวซองขาวกับเราอีกไม่ได้จัดการกันงานขึ้น ไม่มีพุท ธ, ธาพิเศษวิสันอะไรนะสีผ้าโกด์ น, นางวิสาขาเนี่ยสร้างบุพพารามทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือของเมืองสาวัตินางวิสาขาคนเดียวชิบเก้าโกดเอาชิบไปคณชิ้เก้าดูสิเพราะชิ้ร้านจึงเป็นโกด สิบเก้าเก้าสิบสิบหนึ่งเป็นสิบเป็นสิบเก้างยเก้าสิบล้านกระเป๋าเดียวนางวิสาขานางวิสาขาเป็นพระสสดาบาลเนอเป็นพระโสดาบันแต่อายุเจ็ดปีนางไม่ล่วงละเมิดสิ้นหานางไม่ขอดเวรกับใครไม่ใช่ได้อยากล่วงละเมิดสิ้นหาาไม่เช่ได้อยากกระถือศาสดาอื่นไม่เชียด้อยากกระสาบแข่งท่านผู้ใดไม่โกรธอยู่แต่ไม่สาบแช่ง แต่ไม่ผูกเวงไม่เสียดายอยากจะค่าขายเครื่องประหารค่าขายมนุษย์ค่าขายสัตว์เป็นอะไรเนื้อสัตว์ที่ตัวข้าวไปเป็นอาหารค่าขายน้ำมอค่าขายยาพิษการค่าขายห้าอย่างนี้นางวิสาขาไม่เสียดายอยากจะทําเลยเพราะเป็นถึงพระสวัสดิ์พันแล้วแล้วก็บอกเขาว่าสิ่งที่มนมยบอติสูยจะเอามาขายเนอแล้วก็บอกแกเขาอย่างนั้นแเรา เราไม่ราบนะว่าอันนี้เป็นอะไรอย่างว่าเองเนี่ยเอ่อทําโอเพารแ้รา่อเกแนแกของทย่งเกนละมันเอ่อเราไม่รับประกันเราไม่รับประกันจะว่าเรารับของโจรก็ไม่ถูกเพราะเราไม่รู้ะเขาก็ไม่บอกเราอันนี้รักมาเขาก็ไม่ได้บอกจะมาปรับโทษเราเราก็ไม่ยอม ไม่ก็พูกเขาลักมานั่นสิเราไม่ลักจะมาปรับโทษเราอย่างไรไม่ทราบเราไม่ได้ลักมาต่อเขาที่ผู้เขาที่ลักมานั่นเองเขาเป็นโทษแต่เราถ้าลูกของสงเราจะ ก, กอกระยาไปซื้ อ, เ, อ เ, เพราะเราไม่รู้แต่ว่าปรับโทษเราก็ไม่ถูกเพราะเราไม่รู้เพราะเราไม่มีเจตนา ของสงของเจดีของสงของบกขดของสงแบ่งเป็นสองคารุพันธ์ละหุพันธ์คารุพันธ์เป็นของไม่ควรแจกและหุพันธ์เป็นของควรแจกคารุพันธ์เป็นต้นว่าทั้งน้ำจอบเสียมที่การก่อสร้างหรือซ่อมแซมตุ่มน้ำชาราโรงฉันไม้ไผ่ที่เป็นคารุพันธ์ บาเจวอแจกกันได้เป็นลักของผั่นจะเป็นของส ง, ขงเขาแจกกันได้ของสงของบุคคลของเจดีของเจดีน้อมเจดีหนึ่งไปบูชาเจดีหนึ่งพระบรมสัตว์อ่าพระวินัยก็ห้ามน้อมของส ง, องเขาจะถวายสงน้องมาเพื่อตนเองพระวินัยก็ห้ามน้อมมาเพื่อบุคคลพระวินัยก็ห้ามของเจดีนี้สมมุติว่า เขามาถวายเป็นของเกดีธาตุพนมอย่างนี้เราจะเอาไปเกดีอื่นไม่ถูกจะเป็นเงินจะมีกี่ร้านก็ตามจะเอาไปเกดีอื่นไม่ถูกผิดปรบับอาบัตทกฏกทารักของเกดีนับแต่หนึ่งราคาหนึ่งบาทขึ้นไปก็ปรับโทษเป็นประชีพเหมือนกันของบุคคลใปเพชรขึตายแนว ของนั่นต้องเป็นของสงฆ์เพิกศูไปเข้าดิบเดียดถีของนั่นก็เป็นของสงฆ์จำออกหรือไม่หมอบก็เป็นของสงฆ์อยู่ตามเดิมไม่เหมือนกฎหมายทางโลกพระพินายสมมติว่าพระอรมีของอยู่แล้วนึกจะให้โยมขอแต่ยังไม่ให้และมันมีพิณายกรรมด้วย ถ้ายมขอเอาไปแล้วก็เป็นการแล้วไปถ้ายมขอยังไม่เอาไปเมื่อพระก่อตายก็ต้องเป็นของสงฆ์ไม่ว่้แต่มีพิพินายคำว้เข้าใจนะ